เรื่องอบรมพระนุ่มตอนที่สามโดยพระอาจารย์สมภ พ, พโชติปัญโยขืนนี้ขณะนี้เวลาของเราร่วงไปแลป้วีสี่ึงก็ขออนุมโมทนาตรอเพื่อนสนัตว์นิสามเสนน้อยๆทั้งหลายที่ตั้งอกตั้งใจกันประพฤติปฏิบัติ แต่เด็กลูกแต่เชา้าพร้อมเพียงกันคนทาทั้งหลายจงปีติจงปลาโมว่าการทาเช่นนี้มันหาได้ยากซึ่งพระรงองค์เจ้าของเราก็มีมากมายแต่กองเป็นพันๆแต่จะมีใครสักกี่คนที่กำลังขวนขวายกิจการเพื่อประสัตสนา ควนขายเพื่อความดับทุกควนขวายเพื่อถึงที่สุดแห่งทุกแต่ตนเองเพื่อจะได้ทำประโยชน์แก่สังคมด้วยมันยังไม่มีนะยังมองไม่เห็นกันมีแต่ไม่มากนักมีจำนวนน้อยแต่ในเขตรกรุงกรนครของเรานี่ในขณะนี้หนาวๆก็คงจะพวกเราเท่านั้นแหบะที่กำลัง คำัคำ ม, ม, มินควงควายกันจบ่างที่คนโบราณบอกว่ามีหวัดบ่มีพระสงฆ์มีถงบ่มีบ่อนหอยว่าใจจอยหูหน่อยบรร่เยี่ยฟังกลายเป็นนั่งเคืนทางดอนสูงเสียเผิดบอ่อนใดพ้นเสียงไิจมทุนมีแต่ความคัดของห้ามพ้นเสียประโยชน์เมืองบ่มีสงนามหน้าสีแหงเหี่ยวตาย ไอเขาว่ามีวัดไม่มีพระสงฆ์ไม่ใช่เรื่องอะไรไม่ได้หมายถึงพระสงฆ์เหลืองๆพระสงฆ์เหลืองๆเนี่ยมีเต็มวัดเต็มบ้านเรื่องอาลามไปหมดในสกลนครของเราวัด ต, ต่างเจ็ดแปดร้อยวไม่ชน้อยพระเนรจะมีสักเท่าไรแต่ที่พระสงฆ์จริงๆที่หมายถึงนั้นก็หมายถึงผู้ปฏิบัติปฏิบัติดี ดียังไงดีในพระธรรมวินัยที่พระสาัาสดาส a r m a แล้วปฏิบัติตามปฏิบัติตรงตรงตอบพระธรรมวิ น, นัยตรงต่อเป้าหมายของศาสนาตรงไปสู่ความดับทุกข์ปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์เพื่อขูดเกาเผาลนทําลายกิเลสตัณหาอุปาทานปฏิบัติสมควร ที่ว่าสามีจิปฏญญานสมควรตามทำสมควรแก่ทรรมสมควรแก่ฐานภาวะเพศของตนเองที่ตนเองว่าเป็นพระที่คนอื่นเขากราบไหว้ยกแต่ต้้งทําเสือขวางสาวกสังคโคนั้นจึงชื่อว่าสงสาวะกของพระผู้มีพระภาคเจ้าควรแก่การต้อนรับควรแก่ของที่นำมาบูชา ควรที่จะรับทักสีนาทานควรที่ทุกคนจะยกมือไหว้ยกเสรกเก้าเท้าเสกหัวเป็นเนื้อนาบุญของโลกทีนี้พระสงฆ์ที่ดังกล่าวมาแล้วรูวมันจะมีจำนวนน้อยลงน้อยลงมีจะ ว, วัดแต่พระสงฆ์จำนวนนี้ไม่มีคนโบราณจึงบอกว่ามีวัดบ่มีพระสงฆ์มีถงบ่มีบนหอยหือว่าจะจ่อยหูนหน่อยฟังอย่างฟังก็อย่างที่เราทํากันเนี่ย ถ้าหากเราเข้า อ, อกเข้าใจตามเนื้อหาสาระเข้าใจถึงจุดดืงเข้าใจโครงสร้างเข้าใจเป้าหมายบรรลุซึ่งความเป็นอมตะทำลายความยึดมันม่นเถะ่ันเข้าใจทราบซึ่งถึงแก่นสาลของพุทธศาสนาแล้วก็นำมาบอกมากล่าวมาแนะนำภาพสอนให้คนทั้งหลายได้เข้าใจตามนี้ คนเขาจะไม่สนใจไม่สนใจที่จะฝ่ายฟังในเรื่องที่เราจะพูดไม่สนใจที่จะปรับพฤติทางด้านสมาธิภาวนาไม่สนใจที่จะมารับฟังในเรื่องสินสมาธิปัญญาอาริยสติมรรคมีองแปะไตรและขณะปฏิเจิสมุปบาทให้เราพูดเท่าไหร่เขาก็ไม่สนใจที่จะฟังเป็นอย่างนี้แต่เขาจะไปไหน ไปนนจะไปวัดใดที่บอกเลขบอกหวยให้ครื่งรางของครังอ้วกรถน้ำมนต์โดยเชื่อมั่นพรบครู บ, บาอาจารย์หล่านั้นจะมีความศักดิ์สิทธิ์มีอัคคีมีหารปฏิหารคุ้มครองเขาให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บจากพยันันตรายจะอำนวยความสมหวังความปรารถนานะให้แก่เขาเหล่านั้นได้ คนจนเข้าหาพระเพื่อจ้องการอยากจะได้ค้นประโยชน์ทางทรัพย์สมบัติให้ซื้อเล็กซื้อหวยถูกหรืหว่าได้มหาละรวยได้มหาว่าอะไรต่างๆเพื่อแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจส่วนคนรวยเข้าไปหาพระก็เพื่อว่าจะได้อ่า มีอำนาจศักดิ์สิจากพมาคุ้มครองทรัพย์สินความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตอนเอง่ได้เรื่องรางของขั้งจะได้พระได้เรียนมาคุ้มครองอะไรต่ออะไรต่างๆเพื่อจะได้อยู่ไปนานๆไปสวรรค์ความสุขของตอนตนเท่าที่จะอยู่ได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องคนที่จะมา ที่พวกเราอยู่นีก็คงจะยากแหละที่เขาจะมาฟังมาประพฤติมาปฏิบัติตามก็เลยเป็นผลดีอีกอย่างสาหรับพวกเราไม่มีใครมาผูกพันให้ยุ่งยากลำบากในจิตในใจของพวกเราคนอื่นเขาไม่มาก็ดีแล้วไม่ต้องมาพวกพันไม่ต้องมาผูกพันเราไปพินทบาทมาพอได้ขบได้ชันก็อยู่กันตามโคนไม้ตามกระท่อมแล้นะคทาความเพียร ให้บรลุธรรมที่ย่ังไม่บรลุให้เห็นแจ้งทํามที่ยังไม่เห็นแจ้งให้เข้าถึงหัวใจแก่งสารของพระพุทธศาสนาได้รับคุณได้รับประโยชน์ในการออกบวชอย่างไม่เป็นมันและถึงแม้ว่าเราจะพูดในสิ่งที่เป็นสิ่งเปลนธรรมอันเป็นหัวใจอัเป็นแก่นสารจริงๆเขาก็ไม่สนใจที่จะฝ่ายฟังเพราะเขามีอมเอาวิชาบางกูบางตา เข้ามานานแล้วม่ีครูบาอาจารย์พูดอย่างต่อ น, นืน่เราค่อยพยายามค่อยช่วยค่อยเหลือสังคมไปเท่าที่เราจะทำได้แต่ก็อย่าไปเป็นทุกข์ที่คนโบราณว่ามีวัดบ่มีพระสงฆ์มีถงบ่มีบ่นหอยแสนทีบอกใจจ่อยหูนหน้อยบอ่อนี่ยังฟังมีถงบ่มีบ่อนหอยก็หมายถึงว่ามีธรรมะอันประเสริฐอันบริสุทธ์ถูกต้องเด่งามตามคำสอนของพุทธศาสนาแล้วก็ไม่รู้จะไปพูดให้ใครฟัง ไม่รู้ใครจะมารับฟังไม่รู้ใครจะเอาไปประกอบปฏิบัติตามมหายากเหมือนมีถงมีมีบนหอยเพราะว่าเขายัางไม่มองเห็นคุณค่าอยู่ที่ดีเพราแม่ปู่ญาติยายเคยฟังมาอย่างหนึ่งแล้วก็ออกมาพูดกันอีกอย่างนึ่เขาก็เลยไม่สนใจว่าจะจอยหูนหน่อยบอกอย่างฟังเลยเป็นหน้าเขินทางดอนตูงเสียเปลือกบอกคนใดพผลเพียงสุ่มทุนมีแต่ความคัดของห้ามผลเสียประโยชน์ เหมืองปะมีส่งน้ำหน้าสีแห้งเหนียวตายอันนี้ก็หมายถึงว่ามันเป็นนาเขินเขินน้ำไม่มีคลองชนประทานระบบอิริเกชันทับพายมือระบบชนประทานที่จะส่งน้ำเข้าไปพวกเรานี่แหละเป็นคลองที่จะส่งน้ำน้ำคือพระธรรมพระธรรมคือน้ำมันนตะรงก็ไปสู่จิตสู่ใจแห่งหมู่มวลเพื่อนมนุษยชาต ร่วมพุทธศาสนาร่วมโลกแตนี้มันไม่มีเหมืองเหมืองมันมีน้นอยๆแล้วการสะพายไปมันก็ไม่เพียงพอต้องให้มันมากจริงๆทั้งโน้นก็พูดทั้งนี้ก็พูดพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นนี่เราพูดซะ้สองสามคนเราทากันไม่แค่หยิบมือเห็นไหมอย่างที่พวกเรามากันทําความเพียงกันอยู่อย่างเงี้ยสมัครสม่นเนี่ยมีถ้าเอามานับเป็นเปอร์เซ็นต์พระสงฆ์ทั้งหมดในเขตเนี่ย เราง่ายๆแค่ตะกรอนพวกเราก็ประมาณสักครึ่งเปอร์เซนต์ก็ไม่ได้ในจำนวนอยเปอร์เซนที่มาเพราะคืิปฏิบัติกันแล้วถ้าหากว่าเราจะไปพูดในสิ่งเหล่านี้ความสนใจมีน้อยแล้วก็ได้ประโยชน์น้อยและ้ะเพราะว่าคนอื่นเขาพูดอย่างอื่นมากกว่ามันก็ถูกกินเลยถูกใจคนนั่นเป็นอย่างนั้นคนทำสะกะปรกไว้ทั่วทางแผ่นดินคนไปทาสะอาดตีคนหน้าคนก็เหนื่อย อันทั้งหลายถ้ามันใจจิตใจดำจเกินไปท่านอาจจะสงสารของเจ็ม็นที่ป้ายนะมันเยอะเหลือเกินมันเยอะเหลือเกินจากนี้ไปเทศที่อรัญประเทศกลับมาเดี๋ยวไปโน่นไปนี่กุ้ภาวะเอ่ยป่าป่าเอ่ยนครพนมเอ่ยอุบลเอ่ยนคอตะวันออมันไกลแล้วมันก็ไม่ได้พักได้พอนเพรนั่งกลับมาก็ต้องมาพูดให้เพื่อนๆฟังมันอย่างนี้แล้วมาอามัน มันหนักคนทําสกัดปกไว้มากคนไปทําสะอาดมีน้อยคนไปปลุกให้เพื่อนตื่นมีคนหนึ่งสองคนแต่คนไปเที่ยวแก่กยานอนหลับมีทั่วทั้งบ้านทั้งเมืองคือไปมองเมาไปสั่งสอนในทางที่ไม่ใช่พุทธศาสนาให้คนลุ่มหลงก็เหมือนกับไปทําให้คนหลับลงไปอีกไม่ทําให้คนปเป็นพุทธเป็นพูทตื่นมันจริงยากจึงกลายเปนหน้าเสินทางโดนฟุงเสียวขบ่นอนมแดงฝนเสี่ยงจุ่มทุน มีแต่ความคัดของห้ามคนเตรียประโยชน์เหมือนแบบมีทรงนาหน้าสิแห่งเหี่ยวตายเพราะนั้นท่านทั้งหลายอย่าได้น้อยอกน้อยใจยนะว่าเี้เรามาประพฤติปฏิบัติทรรมกันเนี่ยเป็นเดือนเดือนทำไมคนมาจังหันไม่พอสิคนแต่ละวันาาะนะพระเนก็มีว่าช่างเขาเถิดมนสมัยประพุทธเจ้าอดอยากยิ่งกว่านี้ท่านไปบินท บ, บาทนะที่หมู่บ้านปัญจพรมณศาลา ขณะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะไม่มีใครใส่บาตรให้เลยต้องอุ้มบาตรเปล่าๆมาพวกเราแค่นี้ดีแล้วได้รับมรดกมูลมังสังขัญญาของพระพุทธเจ้าของพระอริยะเจ้าที่ท่านสร้างกู้วินสร้างศรัทธาไว้ให้แก่โลกโลกก็ยังหลงใส่บาตรให้เราทงดีงดแสนจะดีแล้วนะขอให้เราทัางหลายจนตั้ง อ, อกตั้งใจทําความเพียรให้เข้าใจสิ่งที่ยังไม่เข้าใจเห็นแจ้งสิ่งที่ยังไม่เห็นแจ้งอลไรจะได้ทําประโยชน์ ต่อไปเท่าที่ความรู้ความสามารถของตอนตนกับคนมีเราจะไม่พูดอย่างคนโง่เขาว่าให้เป็นพระอรหันต์เสียก่อนจริงจะสอนคนไม่รู้กี่ชาติเข า, ามันมันไม่ได้เป็นก็เลยกินของเข า, าฟรีๆไม่ได้ทำประโยชน์อะไรถ้าเราจบนักธรรมโทรเราก็สอนนักธรรมตรีได้ถ้าเราจบมหาวิทยาลายัยเราก็สามารถที่จะสอนรุ่นน้องๆได้จบมัธยมก็สอนชั้นประถมได้ทำไมจะต้องรอให้เป็นพระอรหันต์เสียก่อน เราจะไม่พูดอย่างคนโง่อย่างนั้นเพราะว่าหนทางหลุดพ้นในวิมุตตายาุตนาตุวิมุตติโสพระพุทธเจ้าหันตับไว้ถึงกับห้าอย่างหนึ่งฟังสองสอนคนอื่นสามคิดพินิจพิจารณาสี่สาธยายสวดมนต์ท่องบทห้าหนังสมาธิทํำจิตเป็นสมาธิแล้วเอามาเพ่งพมีแ้่ห้าทางนะผมไม่มีเวลาเล่าให้ฟังมันจะตีนเวลาไปมาก เมื่อวันก่อนเราได้พูดค้างไว้เมื่อคืนนี้ในเรื่องอนาปานสติผ่านมาแล้วแปดขั้นตอนตั้งแต่เริ่มลมยาวมาจนถึงทาจิตตังขังให้รำลับหมดไปแล้วสองหมวดคือหมวดกายและหมวดเวทนาทีนี้เราก็จะมาต่อหมวดจิตก็ต้องมาเคลียร์กันอีกทีถึงว่าอนาปานสติเนี้ มันมันเป็นลำดับลำดับลงไปเหมือนเราลงน้ําจากตื้นๆแล้วค่อยลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปท่วมหลังตีนขึ้นแข้งถึงหัวเขา่าถึงกลางขาแล้วก็ขึ้นมาถึงเอวถึงสะดือหน้าอกเพียงคอท่วมหูท่วมหัวไปเลย ล, ลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปเพราะนั้นจึงมีเป็นขั้นเป็นตอนที่พระสารีบุตรท่านบอกว่าอานาปานสติยสะสปริปุณนาสุภาวิตา อนุปพังปริจิตาจะท่าปุเทนะเทติตาคิดสุใดายเจริญอนาปานาาสติให้บริบูรณ์ตามลำดับดังที่พุทธเจ้าได้สอนแล้วโสอิมังโลกังประพาเสติอัภามตุตโตไว้กันทิมมาที่ส่วนนั้นอย่างโลกนี้ให้ทรงสว่างเหมืองพระจันโคจร อ, ออกจากกลุ่มไม่ฉันนั้นที่นี่เราก็ต้องมาว่ากันอีกทีหนึ่งซ้งสำๆซากๆว่าทําไมต้องมีสภาพเป็นลําดับอนุปพังปริจิตา ทำให้มันเป็นลำดับนะเคอฟังให้ดีนะเมนเคยฟังให้ดีเคยศึทําธรรมิกชนหลายเคยฟังให้ดีว่าที่มันเป็นลำดับลำดับมันเป็นขั้นเหมือนเราเรียนหนังสืออยู่ดีๆแล้วก็ไปเรียนมหาวิทยาลัยไม่ได้เราเรียนอจากชั้นป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ไปจะไปถึงมหาวิทยาลัยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าอยู่ดีๆโดดเข้าไปเรียนปอ .4 อยู่ดีๆโดดไปเรียนมหาวิทยาลัย ไม่มีพื้นฐานมันก็สอบตกทั้งปีทั้งช่างก็เบนไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ถ้าหากว่าเราเรียนจบแค่นนชั้นป .1 หรือชั้นป .4 แล้วจะถือว่าจบมหาวิทยาลัยเลยก็ไม่ได้มันจะต้องส่งกันไปเป็นฮอดๆอาณาปานนสติจึงมีทั้ง16ขั้นตอนแต่ที่เราทำกันไม่มีขั้นไม่ตอ น, ตอนส่วนมากที่ได้ยินได้พูดได้สอนกันนะไม่เป็นขั้นไม่เป็นตอนอะไรหรอกเป็นไรก พูดกันธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่ได้เป็นขั้นเป็นตอนอะไรเลยยังพูดโทรกับพูดโทรพูดโทรอยู่ทั้งปีทั้งชาติแล้วมิจฉาเนืองเกาะยุบเนอะองหนออยู่ทั้งชาติสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนั้นเลยแล้วขออาภัยนะผมยังไม่เคยเห็นในพระไตรปิฎกว่าให้เราไปนั่งบริกรรมสัมมาอรหังนั่งบริกรรม พูดโทนั่งบริกรรมยุบน้องพองนออะไรแต่เรื่องที่เรากําลังพูดกันนี้ค้าให้ไปพิสูจน์ในพระ泰 บ, บดอกได้แล้วก็อย่าไปหลงในพระ泰 บ, บดอกนั้นนหะลงว่าโอ้พระ泰 บ, บดอกคู่ไปอย่างนี้แน่นอนอย่าไปหลงทําเข้าไปนี่เห็นผลแล้วค่อยเชื่อดีหลันที่พุทธเจ้าว่ามาปีตะกะสัมปารามีนะอย่าเชื่อโดยนั้นมีอยู่ในตํำรับตําราในพระ泰 บ, บดอกนั้นมีสิ่งแปลกปลอมเยอะ ก็อัตถะถาดีกาอะไรต่างๆเนี่ยบางอันไว้ใจไม่ได้ไะนจริงๆขออภัยผมไม่ใช่อวดดีอวดเก่งอะไรหรอกผมก็รู้สึกขอบคุณจาบไหวถึงครูบาอาจารย์อัตถถาเพราะช่วงนั้นท่านคงได้อยู่ใกล้ใกล้ยุคพุทธกาลกว่าเราเป็นพันปีเรานี่อยู่ห่างมาตั้งสองพันกว่าปีในสมัยนั้นอาจจะมีพระอริยเจ้าเยอะท่านอาจจะได้เห็นได้รู้มากกว่าเรา แต่ที่บางสิ่งบางอย่างมันรับไม่ได้เลยจริงๆเหมือนกันพระพระุทธเจ้าจึงบอกว่าอย่าให้เราเชื่อมาปีตกะสัมประานนี้นะอย่าเชื่อโดยเขาอ้างตำรับตำราไม่มีในตำลับตำลาและก็อย่าเชื่อโดยผมพูดในอีกหลายคนนึ่งมาพัพพ ร, รูปรตายะอย่าเชื่อโดยผู้พูดนั้นสมควรจะเชื่อว่าอาจารย์สมภพพูดและเชื่อคุณไม่ต้องเชื่อผมก็ได้รไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ที่ผมอ้างตำราพระเจไปีดกบ่อย เพื่อเป็นบรรทัดฐานพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าหากเราไม่มั่นใจว่าจำมาผิดหรือถูกว่าคนนั้นพูดถูกหรือพูดผิดอาเทระลูบโน้นชื่อโน้นอยู่อาวานโน้นเป็นผู้แต่ค้านเป็นผู้จำพระธรรมวินัยเป็นท่อหัวสุ้ดศึกษามามากเป็นรัตตัญญูร่วงการผ่านไว้อืมเป็นผู้เข้าใจว่านี่เป็นธรรมนี่เป็นวินัยนี่เป็นปาพศนี่เป็นศัตรูสาของพระศาสดาเธอทั้งหลายอย่าเพิ่งปฏิเสธ รับฟังเอาไว้แต่ก็อย่าเพิ่งวางใจเชื่อนะั้นท่านบอกหรือว่าคณะสงฆ์หมูโ่ น, โนูนหรือว่าพระองคโ์โนู้นได้ฟังต่อพูทธเจ้ามาอย่างนี้อย่าไปเชื่อแต่หานบอกว่าให้ไปสอบเข้ากับพระสูตรอย่างเข้ากับพระวินัยสุเตโอสาเรตพังวิเนยสันเตเตตพังอย่างเข้าพระสูตรสอบเข้ากับพระวินัยถ้ามันเข้ากันได้ก็สมควรที่จะวางใจเชื่อแล้วก็ปฏิบัติดูเมื่อปฏิบัติตามเลยจะเห็นผลยิ่งเชื่อใหญ่เพราะฉะนั้น ในพระเดชพรที่ผมท้าเย็งๆว่าให้ไปค้นดูเรื่องอนาปานาสิมันมีมากเอาเล่มที่สิบเก้าสังยุตตนิกายยกให้ไปเลยอนาปานาสังยุตไปเลยหลายสูตรสิบเอ็ดสูตรหรือยี่สิบกว่าสูตรนะเรื่องอนาปานาสิมันมีหมดทั้งทีฆานิกายแล้วก็มัจจุมาใกายอังคุตรนกายสังยุตในกายนะทีมาสังอังคุน่มันมีหมดทุกนิกายในเรื่องอนาปานาสิ ยาวๆก็มีเล่มที่สิบสี่ลองไปเปิดอุปริปันนาเมาชิมอนไรายข้อที่สองแปดสิบสองหน้าที่หนึ่งร้อยหกสิบเจดหรือเจ็ดหมันกลับหน้ากำลังกันชักลืมๆนั่นละชัดเจนชื่อบอกตรงๆว่าอาณางปาณนัสี่สูตรแล้วก็อยู่ในมหาลาหุโรวาทัสูตรโอ้ยเยอยะแยครับผู้ไม่หวานไม่ไหวแล้วยังเป็นธรรมที่ทำให้บรรลุธรรมได้เร็วอีกไหมนะ อยู่ใน อ, อังคุต ร, ริงกายเล่มที่ยี่สิบสองอรัญญสูตรนี่ข่อหนึ่งมีอยู่สามสูตรติดกันทำเพื่อบรรลุธรรมได้แล้วอรัญญสูตรแล้วก็มีกระทาสูตรอะไรอีกก็ลืมไปลนะิ่มละสามสูตรติดกันข้อที่เกนะ้าส8บหกก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปด หน้าที่ประมาณหนึ่งร้อยี่สิบเป็นไงเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าดูความพิสุจทั้งหลายพิสูจใดแกเรินประกอบด้วยทำห้าอย่างเสพให้มากซึ่งอนาปานั ส, สิกรรมธารมพิสูนั้นยอมแทงตะลุรรมอันไม่กำเลิบต่อการไม่นานนะทำห้าประการเป็นชนยัยพิสุนนั้นเป็นผู้ขนขวายน้อยมีธุระน้อยเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค ยินดีในปฏิสีตามมีตามได้เธอเฟตเฟนาสนะป่าอันตระหนักการทำให้มากซึ่งอาณาปานสิกกรรมาฐานเธอย่อมแทงบรรลุธรรมอันไม่กํำหนดต่อการไม่น า, านมีอยู่สามสูตรติดกันสูตรเพื่อจะทําให้บรรลุธรรมได้เร็วสุดท้ายก็ลงเอยด้วยอาณาปานสิด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็เลยท้าหย็งเย็ให้ไปเปิดไปนคนดูไอ้ที่เราพูดเราสอนกันส่วนมากครูบาอาจารย์ท่านสอน ถ้ากันเน้นไปที่ไม่ทิ้งสติประญานที่นี่ในอามานาปนสีเนี่มันสมบูรณแบบอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านถามในพิ ก, พ ก, พกขุสูตรอยู่ในสังยุตติายเล่มที่สิบเกาว่าพิสูจทั้งหลายทำอันใดที่จะเลื่อนทำอันหนึ่งอันเดียวแล้วเนี่ยย่อมทําให้ทำทั้งสี่อย่างเกิดขึ้นทำทั้งเจ็ดอย่างเกิดขึ้นทําที่ทําอื่นๆเกิดขึ้นโดยบริบูรณ์พิสูจบอกไม่รู้ พระองค์ทั้งหลายมีพระภูมิภาคเจ้าเป็นเป็นบาทเป็นฐานในการประพฤติปฏิบัติของพระ อ, องค์จงแสดงแล้วอาคาพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะได้จดจําไปประพฤติปฏิบัติพุทธเจ้าก็บอกว่าอานาปานาสตินั้นนหละถ้าผพุทธเจเริญให้มากแล้วย่อมทําให้สติประธา น, 4, นาทั้ทงสี่บริบูรณ์สติประธานทั้งสี่เป็เมื่อบริบูรณ์ขึ้นมาก็ทำให้โพธิทรงเจ็บบริบูรณ์โพธทรงเจ็บบริบูรณ์ขึ้นมามันก็ทําให้วิ ช, ชาวิมดมุทให้บริบูรณ์นี่ผมไม่ได้พูดตามสำนวนพระติบิดกนะพูดตามเขาคงเรื่อง เราจพูดตามสนันมูก็เลยพิดอกองฟังยากๆหน่อยสําหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยนี่เพราะนั้นมันเกินกลนไปหมดนะกนพระเดจดอกนะทีนี้เราจะพูดกันที่เรียกว่าอนุปุพังปริกิตาสมบูรณ์ังไปเป็นลําดับลําดับก็เลยต้องมาเคเลียร์แล้วเครียรกันอีกที่ผมพูดมั่งมัไม่ใช่ผมขยันนะผมเหนื่อยเสียงว่าผมไม่ไหวเลเราเราก็จะอักเสบเรื่อย แต่ที่พูดมากๆก็เพื่ออยากจะให้เพื่อนตะทำมิตทั้งหลายมีความสนใจมีความเข้าใจเพิ่มศรัทธา ม, มีโอกาสศึกษาค้นคว้าในปัจจุบโนแล้วก็เพื่อปฏิบัติจะได้ช่วยกันป้องโลกนี้ให้สหว่างจากความมืดมนอนต ก, การของกิเลสตัณหาอาวิชชาทั้งหลายที่ก็ให้เกิดปัญหานาน า, นาประการจนเกิดวิกิจการเล่าหอนในโลกนี้จะทำยังไงทีนี้ เรื่องอน า, นาบานสติที่บอกว่าให้มันเป็นลําดับไม่เป็นลําดับก็มีไม่เป็นลําดับก็มีอยางเราหายใจเ ข, ข้าว่าพุทโธพุทโธพุทออกว่าโธออกเขาว่าพุทมันสงบแล้วเพราะมันสงบพุทโธมันก็หายละลายไปกับสายลมจิตมันก็สงบลึกลวมวันหนึงมันก็เป็นสมาธิเป็นสมาธะก็หยุดแค่นั้นนหะดังที่ผมกล่าวเมื่อวานจําได้ไหมเรื่องอุเทศสวิพังสวด ที่พุทธเจาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหาถ้าเธอทั้งหลายไม่ทําให้จิตนี้ฟุ้งไปภายนอกให้จิตนี้สงบอยู่ในภายในไม่ทำให้จิตนี้สะดุ้งเพระความยึดมั่นเธอจับค้นจากการเกิดการตายจากชาติจรามฎรโสกับปริเทวะทุกขะปริเทวะอะไรต่างๆแล้วฮันเดินนี้ภิสกมุอโง ง, องก็ไปถามพระมหากัจจายนะาพระมหากัจยะนะสักตีนแล้วประกันมาจนทนไม่ไหวปไปเลยบอกไม่ให้จิตฟุ้งไปภายนอกก็คือไม่ เจ็บหนตกโยายใต้อำ น, นาจของนิบอลความกำหนักคัดเคืองเมงเลต้องใส่ฟสร้า ง, ง, งลําคาญง่วงเหงาขามนอนพูดเร็วๆอย่างนี้จะพอฟังทันไหมผมไม่อยากจะพูดเร็วแล้วนะแต่มันธรรมดาเครื่องมันร้อนมันก็เลยรัวออกมาทีนี้ไม่จิตสงบอยภายในยท่านทั้งหลายก็คงไม่เคยได้ยินใครก็ต้องการความสงบพระมหากายนะครับบอกว่ายาให้มันติดอยู่ในชานสงบแม่นิ่งดำดินลงไปแค่แค่นั้ น, มนเมสุด จงเอาออกมาเป็นวิปัสนาพิจารณาอาญานะโลกเสียงกลิ่นรสที่กระทบตาหงจมูกลิ้นกายใจให้มันเป็นเพียงสัมผัสเฉยๆอย่าให้มันมีอุปาทานผันนัวเข้าไปในนั้นนเรียกว่าถ้าเราไม่งอในเรื่องสัมผัสไม่เกิดขึ้นเป็นตัวเราของเราเถากูของกูที่เกิดกระทบไม่ต้องเป็นเจ้าของรูปเจ้าของเสียงเจ้าของกลิ่นเจ้าของรสเจ้าของสัมผัสเจ้าของความค ให้มันทํางานของมันโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติมันก็ทําไปเราก็รู้มันไปอย่างเนี้ยแล้วก็จิตมันไม่สะดุ้งมันจะไปยึดมั่นอะไรก็พ้นใหญ่ชาติฉลามหมดแล้วนะพอตกเยนภิกษุเรานั้นก็ไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระมหากระจายนี่นะตอบอย่างนี้นะอธิบายพระพุทธเจ้าก็บอกว่านั่นก็ถูกแล้วถูกแล้วท่านเป็นทั้งป่าเป็นมนณฑลจะมาถามเราแต่ถามคนเราก็จะถูกพูดอย่างนี้ถามร้อยครั้งก็จะพูอ ย, ะะพะพ อ, อย่างนี้นะแต่ผมพูดไว้เมื่อคืนจําได้ไหม อันนี้ก็เหมือนกันทำไปทำไปมันก็สงบพูดโทพูดโทรไปหมดพูดโทก็หายไปแล้วก็สงบไปเลยอีกหน่อยได้ยินเสียงน้ำหยดแป่งลมาก็เป็นน้ําเป็นเสียงพูดโทรงไก่ขันก็เป็นพูดโทรเผมก็ทํามาเหมือนกันนะผมทามาตั้งแต่ตอนผมยังเด็กๆผมไปทำํำยุบหนอ่อพองหนออายุผมประมาณสักสามสิบี่ปีเห็นจะได้นะเก็เมนผู้ใหญ่เขาทำผมก็ไปทําด้วยไปทําด้วย ก็พาเดินผมกันเดินไปเดินมาจนขาผมนี่เป็นแผลมันสีกันผมนุ่งผ้าแล้วผมก็ใจสู้อยากรู้อยากเห็นยังว่าก็เห็นเพื่อนเห็นผู้เท่าเป็นบ้าหลายคนบีบกันนวดกันร้องไห้กันแล้วผมก็เห็นแสงอะไรจุดกๆๆมันก็นหายไปตอนเด็กๆนะผมก็ทําแล้วโตๆมานี่ผมไปหยุดต่างประเทศผมก็นั่งทําพุทโธพุทโธเล่นๆ เ, เห็นเข้าต้อนกันนักกันนะ ถ้าไม่ทํามันสงบแล้วพุทโธมหายหายไปเนี่ยพอออกมาแล้วมันก็อิ่มเออมีความสุขโอ้มนมีความสุขจริงจริงมีตเกิดตาแต่พอนานๆมันหายไปนี่มีอะไรมาให้กดผมก็กอย่าง pied, ก, กมันกเกีย็กดอย่างี้เอ๊ะมนไมกสังเกต<อ>พกอเขมาศึกษ า, ษ า, ษาพระาติฎกอ๋อเาทํความเพียรนี่ไม่ใช่มาทให้มันสงบอย่างเดียวนี่เพื่อจะทำลายโลภะโทสะโมหะไอความ ก็ความกลัวความหลงนี่แหละคือเครื่องวัดคือเครื่องวัดว่าเราปฏิบัติเจ้านาไปแค่ไหนคนอื่นที่จะมาบอกว่าเราเป็นพระอรหันเราก็เชื่อเขาไม่ได้คนอื่นเขาจะมาบอกว่าเราเป็นอะไรเราเป็นคนชั่วช้าลามบอกเราก็รู้ของเราเองมันจึงเป็นปัจจต่างปัจจตังปัจจตั ง, จจงคือการรู้ได้เฉพาะตัวของตัวเองเราจะต้องเข้าใจอยู่ตามนี่นะไังไรเรา ปัจจตังคือการรู้ได้จากของตัวผมก็รู้ตัวผมเองว่าเองมันก็มีความโกรธอย่างเก่ามีราคากำหนัดตัวอย่างเก่าอย่าผมเป็นคาราวะา น, นะผมทำไปทำไปอผมก็พิจรารณาตนเองสอบคนนั้นเอต่อมาเขาก็ ม, มาทําอีกใหม่ทํอย่างไนี่ยเขาบอกว่าวิปัสนาแท้วิปัสนาจริงจริงอันอื่นเป็นสมถะหมดคือการปฏิบัติ เคลื่อนไว้ก่อมเงยคู่เหยียดอะไรต่างๆตำรนดให้รู้ให้ช้าๆไม่ต้องพูดกับใครผมก็ทํำมาแล้วก้าวเดือ น, <c oughs> น, อนหนึ่งนอนน้อยๆทาความเพียรมากๆไม่พูดกับใครเลยจะเคลื่อนจะไว้จะคู่จะเหยียดจะก่มจะเงยจะพิบตาอาปากคาคุยอะไรรู้มันมันกินข้าวไวจะเสร็จได้สามชั่วโมงดินไปลู้ไม่ทันลูกก็ไปเดินเนี่ยกินน้ำสี่สิบนาทีน้ําแก้วหนึ่งผมเอาช้อนกาแฟตักตักกิน เพื่อกำหนดเขาเคยทามาแล้วมันก็ดีมันเป็นไปเพื่อให้เกิดสตินะแต่สติไม่มีสมาธิเป็นกําลังมันก็เลยอ่อนเดียวเดียวมันก็ตกวกูกทําอะไรนิดหน่อยตกวกูกมีคนอื่นมาพูดอะไรคิดนิดหน่อยตกวูกสติไม่พอดูไปอ๋อสติไม่มีกําลังไอ้ตัวกําลังของสตินี้ไม่ใช่อะไรคือตัวสมาธิแล้วต้องมีสมาธิพื้นฐาน ที่เรียกว่าสมถะแล้วก็ค่อยชาร์จขึ้นไปเป็นวิปัสนาเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนที่นี่ผมก็ศึกษาไปแต่ปิดกศึกษามาศึกษามามากๆมากๆเข้ามามากครับผมก็มาสะดุดใจตรงอาณาปานสตินี่ก็มันมากจริงๆพุทธเจ้าสรรเสริญที่บอกว่ามุทตะกูตังมุทธะภูตังเป็นมงกุฎเป็นมงกุฎเป็นมงกุฎของกรรมฐานนั้งหละอาณาปานสติอื่ยนั่นทำไม ผูบาอาจารย์จึงไม่สอนเราอย่างนี้พอเรามาทําดูตามที่พระพุทธเจ้าสอนะเออมันก็เป็นจริงอย่างที่ท่านว่าเถียงท่านไม่ได้ยอมแพ้ยอมแพ้พระพุทธเจ้าแหละอันนี้ผมยิ่งบอกว่าควรจะทําให้มันจเจริญโดยลําดับเป็นท่านเป็นดอนทีนี้แบบธรรมดานะแต่ธรรมดาอย่างพุทโธพุทโธแล้วว่ายุบเนาะคลองเนาะเข้าไปเดี๋ยวมันสงบนี่ลงไปไม่ใช่ว่ามันผิด ไม่ใช่ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรมันถูกเหมือนกันมันมีประโยชน์เหมือนกันแต่มันมันช้าหน่อยนะต้องใช้เวลามากๆกระทาไม่ต้องใช้ความคิดความพิิจพิจารณาอย่างละเอียดใช้สติปัญญาอะไรมากหรอกไม่ก็มันลงไปเที่ยวมันลงไปล้อมมันลงไปให้มันสงบสงบสงบลงไปในพุทโธมันหมดไปเลยเนี่ยเมื่อมันสงบข้ามันออกมามันก็วุ่นวายอย่างเก่าเมื่อมันวุ่นวายอย่างเก่าเราก็อยากสงบอีกแล้วทําอีกเมื่อสงบลงไปอีก ออกมาบุญ ว, วายก่อนทำให้มันส ง, งอบไปอีกนานๆเขา้ามันเก่งมันเก่งบุญวายน่งมันก็สงบบุดวายน่งมันก็สงบบุญวายหนึงก็สงบเดี๋ยวมันฉลาดขึ้นองโอ้โเดี๋ยววุ่นเดี๋ยวสงบอยูเนี่ยเดี๋ยววุ่นเดี๋ยวว่างยุไม่ได้น้องมันต้องเอาไปนู้นว่างนี่รันดอนในที่สุดมันก็ฉลาดขึ้นยกจิตที่สงบที่ใชมาพิจารณาตนเองนี่มีโอกาสไปได้เหมือนกันแต่ว่าใช้เวลานานนะไม่ใช่มันไม่มี ที่พูดว่าผู้โทรผู้โทมัถูกเหมือนกันแต่มันไม่เป็นลำดับที่ละเอียดไม่กว้างขวางไม่พิสดารเพราะฉะนั้นผมอยจะที่เห็นในสมัยพุทธกาลก็มีมีพระธรรมอย่างเนี้พระองค์หนึ่งชื่อว่าอริธะหนึ่งอริธะอยู่ในอริธาสวดสังยุตติกาลมหาวราวะเล่มทีสิเก้าเล่มนี้ใหญ่มากเป็นพันพันข้ออันนี้อยู่ในข้อที่พันสามร้อยสิบเจ หน้าหนึ่งหน้าสามร้อยเก้าสิบสามสามร้ยเก้าสิบสามเล่มใหญ่เล่มใหญ่ในอริธาโซนเนี่ยที่นครสวาสถีก็ไม่ใช่ที่ไหนเราก็ที่เชตวันในสมัยนั้นพระผู้มีภาะเจะ้าในตัสพิสุทธิ์ทั้งหลายวัดูกรพิสุทธุ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจ ง, ง, งเจริญอานาปานัชติแต่ว่าเธอทั้งหลายย่อมเจริญอานาปานสติหรือผู้ไงว่าถาม บอกภาษาบาลท่าว่าเจ้าได้ เ, ดเ ห, ห็ุอนาปานสติอยู่บ่อขมื่เนี่บอกเช่นีที่นี่ทุกคนก็วาเดได้เห็ุที่นี่มีพระองค์ <c oughs> ชื่อว่าพระอริทธะซึ่งเป็นพระที่นั่งอยู่ไกลหน่อยก็เลยถูกถามมากเหมือนผมถามคนที่อยู่ใกล้ๆผมในตรงนามันใกล้ก็เลยถามว่า ปัญสติถ้าเขาถามต่อไปว่าดูก่อนอริธาเธอนั้นจะเป็อานาปาญสติอย่างไรบอกง่ายๆว่าเจะเห็นไหนเจ้จะเลื่อนอานาปาญสติเนี่ ย, ยทํารองเนี่ยท่านก็บอกว่าผมจะเรีนอานาปาญสติโดยวิธีที่ดูลมหายใจนะลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วมันก็ได้ผลคือว่ากามะฉนมันคือความพอใจในตา้ ที่มันล่วงไปแล้วเนี่ยก็ละไปเลยไม่กลับมาอีกการมาชันในกางที่ยังไม่มาถึงมันก็ไปป่าไปแล้วูง่ายๆ่าเอกิเละทางกามเนี่ยความกำหนักทั้งหลายเนี่ยที่มันเคยมีอยู่มันก็หมดไปละไปส่วนที่มันยังไม่เคยมีอีกมันไม่เคยปรากฏขึ้นมันก็ไม่ปรากฏเลยมันหมดไปหมดไป นี่คือผลของการที่ท่านทำอนาปานาสติของพระอริธาโดยที่ยังไม่เป็นเทคนิคนะไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องรูลมสั้นลมยาวลมอะไรทั้งนั้นดูลมเฉยๆนึ่เข้าออกเขฉย ๆ, ๆแบบธรรมดาแตบบ่ธรรมดาก็คือแบบพูโธพูโธพูโธเนี่ยทําไปทําไ ม, ไมนานๆเข้ามันก็เลยมีประโยชน์มันอย่าเข้าใจว่ามันไม่มีประโยชน์แต่มันไม่เป็นลําดับลํานามันไม่กว้างไม่ขว้างไม่พิสดารนนะันเอาเดี๋ยวมันจะพบจะเห็นทําไปเรื่อยๆ ที่ี่บเบอกว่าอะไรก็ตามปฏิฆาสัญญาปฏิฆาสัญญาีญญานก็ะหม่อมต้งอกความมุดหงิดมุดหงิดล้ำคาญคุนเคืงนะปฏิฆาสัญญาเนี่ยที่มันเคยมีในธรรมทั้งหลายในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในภายในและภายนอกความล้ำคานบานอาว่าปฏิฆาสัญญาความสําคัญความมุดหงิดมุดหงิดที เกิขึ้นภายในใจเรื่องวัใใงุษย์กับสิ่งแหวลอมภายนอกในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันเคยมีมันก็ไม่มีผมกำจัดมันเสียได้แล้วคารบะโอมีสติหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหาจะเข้าทั้นั้นคาระองเป็นผู้เจริญซึ่งอนาปานติอย่างนี้เนี่ยฟังถือบอกฟังถือบ่กพระอริธาเพิ่นบอกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าถามมาทิสุทธ์ทั้งหลาย อันมูจออย่างเหตุอ่านหน้าปานศิษยอยู่บาเดๆเานก่ที่ถือถามหลายกระมือก็บอกว่ากับผมเตอยู่คู่มือเหตุจังใดได้ดผลจังใดก็ถามต่อไปนะก็บอกว่าอันตามราคาความกำรัดไม่กล้าซึ่งมันเคยมีมันกล่า ม, มดไปอันมันบ้านเคยเกิดขึ้นกับ่เกิดขึ้นอีกเลยส่วนความหุดหิดลังคานภายใน ในใจลำคานผู้อื่นโปกโปะเปกเปกเสียงหมอกเสียงวาเสียงเห็ดตันเท็นีบบ่มีเศร้าคุมกัเห็ดของผงไปเลยเบิ้ลล้มเขาล้มออกขึ้นอันนี้ก็พอจะเปรียบได้กับที่เรากล่าวกันว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธทุกวันทุกวันทุกเวลาเดินพุทโธน่ะพุทโธนอนพุทโธเนี่ยก็มนแบบเดียวกับอริธาภิกขุไม่ใช่มันไม่มีประโยชน์ถึงขนาดทําลายตามทําลายปฏิฆาสัญญาในระดับ เนี่ยอ น, นาคาไปตรงนันะ้นทีนี้พุทธเจ้าห้ามบอกว่าโออริธาอนาปานสติอย่างนั้นนั้นมีอยู่เราไม่ได้กล่าวว่ามันไม่มีเพราะแต่ว่าอานาปานสติย่อมบริบูรณ์โดยกว้างขวางโดยวิธีใดเธอจงฟังวิธีนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวท่านพระอริธาท่านก็นเลยตั้งใจฟังทีพุทธเจ้าขอเราท่านก็ บ, บอกว่าพี่สุเนศธรรมวินัย น, นี้ไปแล้วสุขคนไม้ ดังที่เราสวจกันอิทะพิกเวทิคุอรัญญะคตโตวาสุญญคาลคตโตวาลูกมูลคตโตวาที่สุดในพระธรรมในนี้ไปแล้วสุป่าสุคนไม้สุเรือนว่างอุชุงได้อย่างนี้นิสติปันลังกังอาภูชิตตบวาตั้งกายตรงดำลงสติไว้มัน่นเฉพาะหน้านั่งคู่ขาเข้าโดยรอบแล้วโสตโตวาอัศสติโสตโตปัสสติมีสติอยู่นั้นเที่ยวหายใจเข้าหายใจออก แล้ก็ร่ายยาวไปเลยวทีคังวาอัตสันโตรัสังวาอัตสันโตดูลมยาวดูลมสั้นทําความรู้สึกตัวทั่วพร้อมยังกายสังขารให้ลำนับหมดไปที่เราพูดกันเมื่อคืนต่อมาก็มารู้จักปีติปฏิสังเวทีสุขปฏิสังเวทีสภะกะจิตสังขารหลังปฏิสังเวทีประสมไปอย่างจิตสังขารหลังปฏิสังเวทีรู้แจ้งปีติรู้แจ้งความสุขรู้แจ้งความคิดปรุงแต่งที่เป็นจิตสังขารทําจิตสังขารให้ัำนับ เราพูดมาแล้วมมเมื่อเมื่อคืนวานวทีนี้ก็ตระเวไปจนนู่นเลยจิตตปฏิสังเวทีอภิบโมทายัางจิตตังสมาธาหังจิตตังก็ไปจบเอาที่วิโมทายัยางจิตตังรู้แจ้งจิตทําจิตให้ปาโมดบันเทิงทําจิตให้ตั้งมัน่นแล้วก็ทําจิตให้ปลดปล่อยปื้องปลดเป็นอิสระตลอดการกับทุกๆุกอารมณ์เนี่ย จะเข้าจะออกประมาณที่อะไรต่งตางๆคล่องปเป็นนวิมอจะอย่างปล่อยเปื้องได้ทุกครั้งจบหมวดจิตนะครับก็ต่อไปเอกถึงหมวดธรรมอันนี้จานุปสัสสีวิลา k านุปสัสสีนิโรธานุปัสสีปฏินิสกานุปัสสีตามรู้ตา ม, ตามเห็นความไม่เที่ยงตามรู้ตามเห็นความจังข่ายตามรู้ตามเห็นความดับลงไปของอารมณ์ทั้งหลายของธรรมทั้งหลาย ตามรู้ตามเห็นความสลัดเคินซึ่งความยึดมั่นเถื่อนมั่นในตัวเราของเราตัวกูของกูอัจฉริมานะคําว่าเราอะหังการะมะมังการะตัวกูของกูออกไปออกไปออกไปนู่นแล้วุทิย่าให้บอกนี่เธอจงฟังเพราะว่อาอริธาอานาปนสีนั้นมีอยู่เราไม่ได้กล่าวว่าไม่มีบอกง่ายๆภาษาเข้าวันที่พระอริธะเหตุ บางลมหันใจเขาอหันจะออกหันใจเขาหันจะออกจนทําลายกามได้ทำลายปฏิขาสัญญาความมุดหิดคุณเครื่องความล้าค่าญออกไปจนในเพียงแต่บางลมเขาล่มออกเพื่อเพื่อนก็บอกว่าอันนั้นจะมีอยู่หอกบ่เห็นบ่มีเข้าประวามันบม่มีอย่างนั้นมีอยู่เราไม่ได้กล่าวว่าไม่ได้มี ก็แต่ว่าอาณาปานาสติย่อมบริบูรณ์โดยกว้างขวางโดยวิธีใดเธอจงฟังวิธีนั้นจงใส่ใจไว้ให้เดี๋ยวเราจักกล่าแต่ว่ามันมีออก đ ด้แบบพิสดารแบบละเอียดแบบข่วงคววงมีอยู่เจาฟังเล็่อยี่บอกให้ฟังเนี่ยถ้ากไลย่ยาวไปเลยทีคงว่าอาสาสั้นโตไปถึงปฏินิสขานุปัสสิดังที่เราตรวจกันนังที่เราทำกันเนีย่ย เพราะฉะนั้นไม่ผิดนะที่ทำพูดโทผู้โทยุบง้องพงน้องอยู่ในลมหายใจมันถูกนั่นเป็นวิธีธรรมดาธรรมชาติธรรมดาธรรมชาติเอาแต่มันจะรู้จะเห็นจะเกิดจะมีมันสงบกอ่อยู่กับสงบมันเกิดอะไรขึ้นกอ็อยู่รับไอ้นั่นบางคนมีบุญมีวาตนากตาทิการมีปัญญาปรมีแกตาสังสมอบรมมาพอจิตสงบปับ๊บมีความสุขพอออกมาจากความสงบมี ความกำหนัดขัดเครื่องลังเลสงสัยก่อ น, นึกรําคาญตนเองว่าทําไมมันไม่เหมือนตอนที่อยู่ในสมาธิก็เข้า อ, อีกเข้าออกออกเข้าเข้าออกออกเข้ากันอยู่อย่างเงี้ยเมื่อมันเป็นอย่างเงี้ยเนาะมันก็ทําให้ผู้ที่เป็นเจ้าของเรื่องผนะู้ที่ทาเกิดความฉลาดขึ้นฉลาดในธรรม คือว่าถ้าออกแกสมาธิแล้วมันวุ่นวายอย่างนี้ถ้าเข้าไปแล้วมันก็สงบเราจะเข้าอยู่ตลอดทั้งปีทั้งชาติก็ไม่ได้ก็เลยเอาจิตที่สงบนั้นออกมาพิจารณาเอ๊มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ในที่สุกก็เห็นความเกิดขึ้นของอารมณ์เหความตั้งอยู่เห็นความดับไปเห็นช้มหน้าของความโกรธความเกลียดความเกลียดความชังความรักความขมความเค็มอะไรต่างๆมันเกิดมาจากความยึดมั่นหรือมั่นในที่สุกก็เห็นที่ตั้งของความยึดมั่นนี่มันก็คือความตัวเราของเราตัวกูของกูอะไรตํางๆเนี้ย ก็เลทำลายตัวนี้อาสนมีมานะไม่ยึดมันถรือมันจางคัวมันอะไรต่ตางๆเนี่ยมันก็เลยไปโสปฏินิสตขานุปัตตีสลัดคืนตามเพ่งความสลัดคืนมันเป็นอย่างเงี้ยเรียกว่าผููที่มีปัญญาพู้ที่มีปัญญาปัญญาบา ร, รมีมากแต่บางท่านไม่มีสงบก็สงบอยู่นั่นวุ่นมากก็สงบอีกออากมาพ่นบุญก็สงบอีกอย่างเงี้ยเอาไปเอามา เป็นผู้มีเจตโ ว, วะสรรีมีอำนาจเนือจิตสงบเมื่อไรก็ได้ปึ๊กเข้าไปเลยเนี่ยก็ไปเลยปึ๊กเข้าไปเลยออกมาเมื่อไหรก็ได้เข้ามาเมื่อไหรก็ได้เอาไปเอามาจิตมีอำนาจมากมีอำนาจเนือจิตนะในที่สุด ก, ก็กลายเป็นฤิบเป็นเดช น, นะฟังให้ดีนะถ้าใครทําได้อย่างนี้เข้าได้นี่ออกได้นี่ก็ได้แค่ยอยู่กี่ชั่วโมงนาทีก็ได้ให้จิตมันแหลมคมชึบเนี่ยไม่มีอารมณ์อื่นมา ก, กระทบแล้ว นองจิตไปที่ไหนก็ได้ที่นี่เอาแล้วเป็นริฟแล้วเป็นเป็นเดชแล้วอยู่ที่นี่ไปซาอุดิอาราเบียก็ได้ไปอเมริกาก็ได้ไม่ต้องทําวีซ่าทำพาสปอร์ตไม่ต้องไปขีดเครื่องบิไม่ต้องไปจ้ามไทยพอบาดเห็นไหมแต่เมื่อว่ามีพี่มีน้องอยู่ที่โน่นอเมริกาเขาทําอะไรอยู่เดี๋ยวนี้เข้าไปก็ถอดไปเลยที่เรียกว่ามโนมายติขออโนมายติแปลว่าความสําเร็จ ทางใจถอดใจไปเลยตายตั้งอยู่ตรงนี้ไปนุน่นสี่ขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราสวดกันตอนเช้าที่เรียกว่าปัจเจ ก, กะจตูโกาลาสั้งสรันตาผ่าวาภวัยตั้งหลายตั้งอยู่ในโลกมีขันสีน 5, ขน่ขันห้าขันขันเดียวที่กาลังท่องเที่ยวไปในพบมายภ พ, พใหญ่ไอ <c oughs> ที่กําลังท่องเที่ยวไปโดยสี่ขันนี่ คือกายมันนั่งอยู่ตรงนี้แต่พอไปโน่นจิตทางนี้ก็ขาดการควบคุมเหมือนชักดาบออกจากฝักเหมือนดึงงูออกจากคราบเหมือนดึงไส้ออกจากยาบพ้องไม่น่าเป็นได้นะไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรที่เขาบอกว่าขี่เครื่องบินไปเลยเห็นพระหลวงปู่นั่นหลวงปู่ีีนั่งอยู่บนอากาศนั่งอยู่บนก้อนเมฆทายลูก นันมาดูก็เห็นอยู่วัดตรงนี้เกิดอัศจรรย์ล่นมเลื่อนเขียนหนังสือเชียกันใดญว่าเป็นพระอรหันต์มความจริงไม่เป็นพระอรหงศ์หันต์อะไรก็เป็นได้เทวทัตก็ทําทได้คือจิตที่มันมีอํานาจอย่างนี้แหละแต่ตรงนี้ถือว่าเก่งทําสมาพิธเก่งแต่อาจจะยังไม่ถูกต้องก็ได้ถ้าถูกต้องแล้วมันดับทุกถ้าเก่งแล้วมันมีฤทธิมีเดชทั้งซาที่จะปฏิยันติอากาเซ ย, ยันติอิธิยา มียนินทีธีราโลกัมหาเชตวา ม, มาลังตวะนะ <c oughs> <c oughs> เคยได้ยินไหมทำมาบทใครเรียนทำมาบทตาอาจารย์สุบัตริเรียนมหาจุฬามาผู้มีฤทธหอเหินเดินอากาศมู่ของเหินพาไปหาดวงอาทิตย์ผู้มีฤทธหอเหินเดินอากาศนักปาดออกจากโลกเพราะเอาชนะมากรอบหนังกอกทับผู้มีฤทธิ์ที่หอเหินเดินอากาศไม่สามารถที่จะเอาชนะมา แต่นักป่าต์ออกจากโรคเอาชนะมารได้ทั้งกองทัพเพราะนักป่าต์นั้นคือผู้รู้ทำสมาธิอย่างถูกต้องอสติบริบูรณ์รู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่มันเป็นจริงตื่นอยภายไปกดอันจริงทุกขังอนัตตาจนไม่สามารถจะไปกอดไปรักไปแบกเอาคำห้าอนาันหนักน่วงเป็นก้อนไปแดงๆไม่ควร โยนมันทิ้งตูมลงไปใส่ฝ้ายวางเนี่ยแต่อย่างนี้นเลยออกจากโลกคือพยามารทั้งกองรับสิ่งที่มาขัดขวางในเรื่องมันก็ละเอียดนะที่เราเราพูดกันเนี่ย <c oughs> เพราะฉะนั้นเรื่องจิตเรื่องจิตเรื่องจิตเนี่ยอย่าทำเป็นเล่นเล่นไปมันมีอํานาจยิ่งใหญ่ไพศาลเมื่อทําได้อย่างเนี้ยสงบได้อย่างเนี้ยออกมาได้ เข้าไปได้แค่อยู่เท่าไหร่ก็ได้มันก็กลายเป็นฤทธ์เป็นเดชเป็นอาภิญญาอาภิญยาห้าไม่ใช่หกนะอันหกอาสะวัคคายายาตัวนั้นเป็นอาภิญญาของพระอริยเจ้าอาภิญญาห้ามีหูทิพย์มีตาทิพย์ีฤทธ์มีเดชเขื่อนเดินอาการดำดินบินบนหายตัวต่างๆนี้เป็นอาภิญญาโลกีต คนธรรมดา น, นอนก่อนลูกกอนเมียอยู่ก็ยังสามารถทำได้ถ้ามีสมาธิมากแต่เรื่องสติไม่ต้องมีสมาธิมากมากก็ได้เพียงแค่อุปจาระนี่ก็ได้แต่ไปเพ่งดูจนเห็นชัดเจนเจิดจ้าจนไม่สามารถจะยึดมัน่นถือมันลปล่อยวางเบอร์มันมันก็ทำลายอาสวะออกไปมันมันมันมันคนละอันกันอยู่แต่ถ้ามีสมาธิมากมาก จนมีชาดดำดิงจนมีฤทธิมีเดชแล้วยกเอาฤทธิเอาเดชไป่ในตู้ในกระเป๋าไว้สะก่อนเอาความสุขปีติไปไว้ที่อื่นกว้างทิ้งสัก่อนนักมาเพ่งดูลักษณะของสิ่งทั้งหลายมันก็เห็นแจ้งยิ่งชัดเจนนะ่ะอย่างนี้ก็เรียกว่าอุพาโตภาคะเอรุณทนไปสักสองส่วนเลยได้ทั้งฤทธิทั้งเดชได้ทั้ง <c oughs> อ่อาอภิน ญ, ญาได้ทั้งปฏิสัมพิธาผมเคยอ่านประวั อาจารย์ชาผมไม่เคยอยู่กับท่านแต่ผมเห็นว่าท่านได้ทั้งสองอย่างตามประวัติของท่นงาน ท, น, นท่านแตก้านท่านแดงธรรมนี้สิ่งที่คนอื่นพูดแล้วไม่เข้าใจท่านพูดคนอื่นเข้าใจได้ง่ายเนื่องจาฝรั่งมั่งคา <c oughs> มันแปลงไม่ท่านไม่ได้ภาษาอังกฤษแต่ลูกศิษย์ฝรั่งเต็มบ้านเต็มเมืองทั่วทั้งยุโรปอเมริกาอังกฤษ เยอรมันฝรั่งเศสอ่าลาเเอลมีหมดผมจะอีกคู่ภาษาอังกฤษก็ได้แต่ผมไม่เก่งเหมือนท่านใช่ไหมเพราะอะไรเนี่ยนี่ ย, ย, ย, ยคุณดูให้ดีอังกฤษผมผมมอ่านดูแล้วประวัติของท่านท่านได้ทั้งสองอันมีทั้งอภิญญามีทั้งปฏิสัมพิธาแต่น่าเสียดาย วิบากกรรมของท่านเป็นอย่างนั้นถ้ามีแค่นั้นแล้วเราจะได้เห็นอะไรดีๆอีกมากกับพระพุทธศาสนาเสียดายจริงๆที่แรกผมเิดความมั่นใจและศรัทธาว่าพุทธศาสนาเนี่จะต้องมีประสิทธิภาพหลังตึ่งพุทธกาลนี้อย่างยิ่งยังคือท่านอาจารย์พุทธทาท่านประกาศทำอย่างละเอียดกว้างใหญ่ไพศาลท่นทานแปกานทางปฏิสัมพิทา แล้วทางบ้านเราก็มีท่านอาจารย์ญญชา <c oughs> งดงามงดงามทางศีลด้วยแล้วเบียร์วินญาของท่านงดงามนะพระเนรอยู่ในสำนักสาขาต่างๆนะรักษาศีลแล้วก็มีสมาธิมีปัญญาแล้วดูตัวของท่านเองทั้งแต่งฌานทั้งทางปฏิสัมพินธ์แล้วก็ทางอภิญญาด้วยซึ่งได้ทั้งสองอย่างในหาได้อยกังผมเคยอ่านว่า มียมคนหนึ่งฝากฝา ก, ฝากชีวิจิตใจไว้กับท่านต่างกายาต่างๆให้แก่ท่านฝากตายแล้วเนี่ยมอบโครงกระดูกให้ในวัดในอะไรถ้าผมจำไม่ผิดแล้วคนนั้นไปไข่ที่โรงพยาบาลจนจะสิ้นใจท่านก็บอกคนเอารถมาไปรับคนนู้นกบลังรองคอยพอเอารถไปถึงานนู้นก็สิ้นใจพอดีมีหลายสิ่งหลายอยา่า <c> ง <oughs> กาหนด รู้ใจได่ด้วยวิจัยโตปริญญาอะไรต่างๆ น, น้ท่านสามารถรู้ได้เนี่ยลักันเห็นี่แหละมันก็นเลยเป็นประโยชน์แก่ภาษาพนาสําหรับทรมานคนดื้อสำหรับทรมานวิจาทิ์เิดเหนี้ถ้าพูดกันรู้เรื่องด้วยสติปัญญาท่านก็พูดเทศให้ฟังถ้ายังพูดกันไม่รู้เรื่องอย่างนี้ท่านก็ใช้อีกอย่างหนึ่งคือทรมานด้วยฤทธิ์ด้วยปาฏิหาริย์อย่างนายหนูกับใจนายหนูกัดใจผมอ่านดูแล้วอือ ในสมัยพุทธกาลก็มีคือเมื่อพูดกันด้วยสติปัญญาไม่ได้ทัานกว่าใช้อิทธิปฏิหารในช่วยแต่ที่นี่เราอาภัพหาได้ยากในเรื่องอย่างนี้ถ้ามีอิทธิปฏิหารก็มีแตฤทธิ์แต่ไม่มีสติปัญญาก็กลายเป็นเรื่องการมอมเมาเข้าไปหนักเข้าไปอีกแหละเพราะฉะนั้นในตำแหน่งอาจารย์ชาเห้ามทําน้ํามูกน้ํามนห้ามทําเครื่องรางของคขังอะไรต่างๆบอกเลกบอกหวยแม่ หน้าอนุโมทนาสาธุการถ้าเมืองไทยเรามีอย่างนี้ไม่ต้องมากเรานะภาคละองละองค์องผมคิดว่าเพียงพอเนี่ยคนโบราณบอกว่าหลายสมัยในป่าข้างหน้าหาลับเป็นของหอมแก่นๆก่นบอกวิธไม่มากหล่นในป่าพนานาันธุ์พันธบ่ฮนล่าวี่กันดาท่อหาเหลืองมีแต่คนเฮาเขาดงนาหาประโยชน์แกมูใหม่วี่หน่อยหากส่วนดี ที่สนากันจันที่มีราคาแพงแม้จะมีน้อยก็ย่างดีนีกว่าที่มีมากๆาที่ไม่ดีเพราะนั้นผมว่าถ้ามีองค์หนึ่งองค์หนึ่งแต่ละภาคพอแล้วอย่างที่ท่านอาจารย์ชาเนะี่ยรื่าอาจารย์พุทธทาสเนนะี่ย ม, มีทันกว้างใหญ่ไพศาลไปทั่วโลกนะมหาวิทยาลัยต่างๆที่เขาสอนแผานกดีนตี้สกูลทรีโอโรจิคันส o ูลในอเมริกันเลวอนในทางยุโรป เขาเอาคำสั่งสอนที่ท่านพูดออกไปไปตีพินเป็นหลักสูตรหน้าอนุโมทนาะแล้วท่านสองท่านเนี่ยถ้าท่านลองรยหลองศึกษาดูท่านเจริญอานาปานาสตนะิท่านอาจารย์พุทธาท่านเจริญอานาปานาสติบริบูรณ์เป็นลําดับลําดับลาดับท่านอธิบายได้ละเอียดส่วนท่านอาจารย์ชาเนี่ขึ้นปลา ขึ้นเขาจากป่าสู่ป่าจากเขาสู่เขาบุกเบิกดูคนเดียวในป่านี้ท่านเน้นทางสมาธิมากกว่าในที่สุดมันก็เลยปูนอัพพิสคนจนเท่ฉันคือมันส้มปูนด้วยสมาธิเต็มเบี่ยมจนระเบิดตูมตามออกมาเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าใครมีจิตสงบได้เร็วมากเร็วมากเร็วมากออกมาค่องเข้าไปคล่องคือมันเป็นอุปนิสัยของไข่ของหมันไม่เหมือนกัน ของไผของมันของไของมันบุญบาลามี่วคือกันานาถ้าใครทำได้อย่างนี้เมฆก็ไปเลยเพ่งลงไปแล้วเนี่ยมันงบลงไปดับลงไปเลยแม้แต่ลมหายใจแล้วก็มาสร้างความรู้แล้วทำเข้าไปอีกนี่วันหนึ่งเธอดิ่งลงไปแล้วมันจะลำงับถอนออกมาถ้ามาพิจารณาเห็นความทุกข์ ทุกข์อยู่ในลมหายใจทุกขบุญก็วายทุกไปหมดนีนี่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทุกข์ทั้งครั้งนี้ไม่ได้ทุกข์พรอยากได้อยากมีอยากเป็นแตมันทุกข์เป็นสภาวะที่เรียกว่าอริยสัจเป็นทุกขะตะเกิดตามดูมันอย่าลังคาในที่สุดมันจะเกิดคําถามว่าใครทุกข์เมื่อถามว่าใครทุกข์มันก็จะเห็นนึ่งดีวัตตัวเข้าไปยึดมั่นนี่คือตัวทุกข์มันเห็นสมองไทยในที่สุดมันก็ดับวูลงไปพอดับลงไปแล้วมันก็แม่นิ่งลงไปข้างหนแลมันก็ถอนออกมาใหม่ ขึ้นไปหูวตูดออกไปนู่นแล้วก็ดับลงไปอีกอย่างเงี้ยถอนขึ้นไปข้างบนทะลกออกหัวเลยดับลงไปอีกพูดไม่ถูกนะเรื่องนี้ดับไปทั้งหมดที่เรียกว่าจิตเจตสิกรูปมันดับลงไปมันก็เหลืออันเดียวเหลืออันเดียวอยู่ภายในที่เป็นอสังกตะเอ้วยวันนี้ผานอะไรต่างๆถ้ามันดับลงไปถึงสามครั้งออกมาแล้วมัน ทะลุทะลวงถ้ามันดับไปแต่ละทีถ้าสมาธิมากๆมันระเบิดแต่เต้าโลกนี้ก็กระจายข อ, อนออกมาลงไปอีกแล้วเปิดอีกลงไปอีกละเบิดอีอย่างใหญ่ๆลงอย่างนี้มีอภิญญาอย่างใหญ่ร่้วงเลยมีวิทยุอยู่ในตัวเปิดฟังสถานีไหนก็ได้มีโทรทัศน์อยู่ในนี่อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องอัศจรรย์นะเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องจิตเนี่ยแต่มันก็ทําได้ไม่เลยวิสัยแต่อยากเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้ทุกคนนะ คนอื่นไม่เหมือนเราเหมือนกับเราไม่เหมือนกับคนอื่นมันเป็นของใครของมันของใครของมันเพราะฉะนั้นอยากเข้าใจวันเดียวนี้มันหมดสมัยนะถ้าใครเข้าใจาอย่างนี้จะเป็นมิชาทิฏฐิทันทีนะเดี๋ยวนี้กับสมัยก่อนน้นความหิวกับความอิ่มมีเหมือนกันลักษณะอย่างเดียวกันเท่ากัน คนสมัยก่อนพระพุทธเจ้าหรือสมัยพุทธเจ้าก็หิวข้าวเป็นเหมือนคนเดียวนี้แล้วคนสมัยโน้นก็กินข้าวอิ่มเป็นเหมือนคนเดียวนี้คนเดียวยนี้เมื่อกินข้าวไปก็อิ่มลักษณะอิ่มเนี้กับลักษณะอิ่มเมื่อสมัยพุทธเจ้าก็เหมือนกันในสมัยพุทธเจ้าเมื่อเขาหิวเขากินข้าวไปเขาก็อิ่มในสมัยนี้เมื่อหิวถ้ากินเข้าไปมันก็อิ่มถ้าไม่ได้กินมันก็ตายเหมือนกันบับสมัยโน้น เมื่อปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องดีงามตามมักควิธีอริยะมัคมีอโหแตรที่พุทธเจ้าได้สอนผลมันจมเกิดขึ้นได้เท่ากักที่ท่านตรัสว่าติด ท, ท่านเตนิพุเตจาบิสตมมีจิตตังสมังขลังสมังภะลังถ้าหากคู่ใดตั้งจิตประพฤติปฏิบัติตามแม้เราตถาคตจะปรินิพานหรือมีพระชนมายุก็ ตะเมจิตตังมีจิ ต, ต, มจตสม่ำเสมอที่รเราเคยปฏิบัติเหมือนกับสมัยก่อนนู้นตะมังพลังขนก็เสมอกันกับเหมือนสมัยนู้นกับเดี๋ยวนี้คอยเข้าใจอย่างนี้แล้วก็พากันตั้งอกตั้งใจทํานะที่นี่เราพูดกันจะพูดกันเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้ น, เ ป, น, นเป็นตอนเมื่อวานเราพูดกันมาจบของหมวดหรือหมวดว่าด้วยกายและเวทนาทีนี่เราก็มาพูดกันที่หมวดที่วาด้วยจิต ช่วงนี้สมาธิมันสมบูรณ์นะซึ่งเราทํามาตั้งแต่ครั้งแรกเป็นไปลมยาวลมสัน้นจนถึงทําจิตสังการให้ระงับสมาธิสมบูรณ์เพียงพอที่พอเราจะทําใหม่แล้วก็ไล่ขึ้นมาเหมือนเราท่องสูตรซองหนึไปซองซองอ ง, องเป็นปีมาจนถึงสูตรแปด 8, แล้วขึ้นสูตรเก้าให้มันคล่องตัวทีวนี้ช่วงนี้สมาธิมันง่ายอยู่แล้วมันก็ง่ายที่จะ รู้แจ้นจิตมาจ้องดูจิตของตนเองมันสลดหดหูมันเต้ามองมันมีล่างคะมันมีโทสะมันมีอะไรรู้มันเฉยเฉยรู้ทันมันหมดไปรู้มันรู้มันในที่สุดจิตก็อยู่เนอำนาจบังคับจิตให้มันฟลาโม่ให้มันบันเทิงรื่นเริงจำไว้ไม่หดหูเข้ามองถ้าหากมันมีสัญญาขันสัญญาเกิดขึ้นจากความจําได้หมรู้ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันปรุงมันแต่งข้าเราเคยทําชั่ว ทำอะไรไม่ไดีไปงามมามันโผล่ขึ้นมาให้เห็นเราก็ไม่เศร้าหมองกลับมนปงอบัตในใจตนเองปงอบัตะครับเออเราเป็นพุทุชนแล้วอมีโอกาสทำผิดพลาดบัดนี้เราจะไม่ทำเองยอมให้คิดบัญชียอมรับเวรรับกรรมไม่ใช่เพื่อจำใส้เบอร์บัตรไม่ใช่มาเอาความชั่วร้ายในอดีตมาคิดเผา้ี่โอ้ยเรานี่มีเวรมีกรรมมากนะักหนอ มันจึงเห็นแต่นิมิต ท, ที่ไม่ดีไงำยไม่มีสติแตเลยเห็นกรรมนิมิตอะไรต่างๆถ้ามีสติแล้วมันหายไปหมดเลยนิมิตบ า, บ, า, บ, าบ้องเหนันเพราะฉะนั้นพระองคุลิมานก็คงจะต้องเห็นแต่วิถีที่ฆ่าคนฆ่าคนฆ่าค น, าค น, าคนเอาหอกทุ่มแทบงบังไล้ฟันบงังยิงด้วยนูงคงจะเห็นแต่อย่างนั้นแต่ฮานรู้ฮันนรู้แจ้งแจ่มไม่เห็น เต่ามองแล้วก็ทำให้มันบันเทิงอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นแหะเมื่อบันเทิงแล้วให้มันตั้งมั่นเชยฟิกลงไปอย่างนี้ไม่โดนูลมหายใจดูอะไรก็ได้นั่งอยู่เฉยๆมันก็เชยมั่นคงที่เรียว่าเธอนั่งตั้งกายตรงดำลงสติไว้มั่นต่อเหาะหน้าละอธิชาโธมนั์ในโลกเจะได้ตั้งมั่นอย่างงี้อ๋มันคิดอะไรมามัน อใจหรือไม่พอใจรู้มันเฉยๆตงว่าถึงขนาดนี้อย่างเงี้ยแล้วก็มาทาให้มันปลดป่อยตเองมีอะไรขึ้นก็ให้มันปล่อยออกไปปล่อยออกไปอย่างเงี้ยหรือจะลองปึกมันให้มันเพ่งไปตงน้นมันอยู่ตรงนกลังคิดเรื่องนั้นดีกดึงมันดูเรื่องนี้เรื่องนี้ดีดึงไม่เรื่องนนเนี่ยให้มันกลับหน้ากลับหลังให้มันคล้องตัวเป็นกรรมนิโยอย่างนี้แหละสมอว่าเราจะคิดไปอยู่ในวัดเดีนี้ต่อมาอีก พักมันกําลังคิดดูอหน่อยนี่เพ่งไปคิดอีกเลื่องหนึ่งไม่ให้มันกลับมาเรื่องนี้ถ้ามันยังกลับมาอย่างนี้ยังไม่ใช่วิวโมดังเรยกว่าฝึกจิตให้มันค้องตัวคล้องตัวที่จะใช้งานเพราะว่าช่วงนี้ถ้าเราทําให้มันพลิกไปพลิกมาไดา้ปวดตัวนี้ไปดูตัวนู้นปกตัวนู้นไปดูัวนี้ปวตัวนี้ไปดูตัวนู้ น, น, นมันไม่กลับหน้ากําลังมันไม่สับสนกันอย่างนี้พร้อมทันทีพร้อมทันทีแล้วที่เราจะเอาไปดูอนิจจัง เพราะว่าหลังจากวิโมจะยังจิตหนังปัสสาวะตามมีิตสิกตินี่มันจะไปสู่อไปสู่อนิจจานุปัสสีไปตามดูความไม่เที่ยงเดี๋ยวนี้มันมันมันพร้อมที่จะตามดูความไม่เที่ยงได้หรือยังถ้ามันยังกลับกองอย่างยอกอย่างย้อนมันไม่ปลดไม่ปล่อยไม่เปื้อให้ไปดูตัวโน้นมันกลับมาดูตรงนี้เห็นันดูตัวนี้มันไปดูตัวโน้นมันสายไปสายมาใยนี้ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะไปเห็นไปรักอะไรเลยเนี่ย เพราะมันยังไม่ชัดเจนแต่อย่งเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงทำสมาธินะเป็นช่วงฟึกช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงผูกจิตเป็นช่วงฝึกจิตให้ทำงานฟึกจิตให้รู้ฟึกจิตให้รู้ฟึกจิตให้เห็นฝึกจิตให้เป็นตามที่ต้องการให้มันไปในช่วงนี้สี่ขั้นตอนเนี่ยคนที่มีฤทธิ์มีเดช อะไรต่ออะไรเอามาใช้ช่วงนี้คือให้จิตนี่ตังมัน่นให้จิตนี่บันเทิงให้จิตนี้ปลดปล่อยเข้าสมาธิได้อย่างนี้ออกได้เดีย๋ยนี้แท่ลงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องหลับตาะปุ๊บเขาไปเห็นก็ะดาเนี่ยมันก็ไปเห็นคนอื่นคิดอะไรต่ออะไรต่างๆได้ไม่อัศจรรย์อะไรเลยกหนดรู้จิตของคนอื่นได้ที่จะไป ใกล้ๆที่ไหนไ้ยินน้องจิตไปทางข้างนี่ฟังไปทางน้นโน้นหูมันได้ยินเองตั้งฤทธิ์เรื่องเดมันก็อยู่ในชนนี้หมดหมดจิตนีิแล้วมันมีพื้นฐานมาตั้งแต่หมดตายแล้วทำกายสังขารให้เรา ง, งับเย็นๆๆๆเย็นเย็นเย็นเย็นจเป็นชานเป็นอะไรหมดแล้วมันก็พร้อมที่จะเป็นลิ์เป็นเดชอยู่แล้วแต่เรายังไม่เอาเราเอาความสุขเอาปีติซึ่งมันเป็นเครื่องมือของจิตสังหารนั้นมันดูกันชัดเจนแล้วเราก็เห็นโฉมหน้าเห็นมายาสาทัยของมัน แล้วเราก็เลยมาดูตัวความคิดปรุงแต่งต่างๆที่เราวาจจตสังหารแล้วมาทำให้มันลำงับเมื่อลำงับอยู่ในอานาจของเราแล้วมันไม่กระทบรบกวนของจิตใจของเราได้อีกแล้วไม่มีอิทธิพลเหนือจิตใจของเราแล้วเหมดพิษใดๆที่จะเสียบแทนไม่มีอาหารใดๆเป็นพิษเราก็เลยมาเพื่อเกิให้ยิ่งๆกันไป โดยวิธีรู้จักมันรู้จักเจตใหญ่ชัดเจนพฤติกรรมของเจตใหญ่ชัดเจนแล้วก็มาฝึกให้มันบันเทิงให้มันตัวชื่นแจําใสเ อ, อ, อิบอิ่มแล้วก็มาฝึกให้มันมั่นแต่จามัน่นไม่หวาดหัดนไห้ในอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นอย่างนี้ยมันก็มีโอกาสได้กําไรเรื่อยเปยทั้งวันทั้งปีทั้งชัง่งแล้วก็มาฝึกให้มันคล่องตัวขึ้นไปอีก คือเข้าสมาธิได้ไง่ายออกมาได้ไง่ายแชร์อยู่ได้ง่ายคิดดูอารมณ์นู้นก็ได้ไง่ายดึงมาคิดดูอารมณ์นี้ก็ได้ไง่ายการทำสมาธิที่เป็นฝักไฟให้งวิปัสสนาไม่ใช่แม่ให้มันคิดอะไรนะคิดให้มันเป็นนีรวประโยนนี้ผมมันกักศแต่ที่นี่เราจะฝึกให้มันคิดเป็นคือให้มันเอาเรื่องเดียวเรื่องเดียวเรื่องเดียวเรื่องเดียวนมาให้มันจับตาหลายมองดูเรื่องนี้กาลังเพลินๆปล่ อ, อยปั๊บวิโมจัยยังปล่อยโยนออกมาเปื่องมันออกมาปั๊บมาดูเรื่องนี้ มันไม่กลับหลังมันดูเรื่องนี้กําลังจับมันมันก็ปล่อยไปว่โมกจะอย่าง อ, อย่างนี้เร็วอ่ะให้จิตเป็นกรรมนิยมควรคว ร, ควรแ ก, ก่กรรงานมันก็สมควรที่นี่ถ้าใครต้องการจะให้มันเก่งนนหนักหนขึ้นไปทาําหาฤทธิเดชทางปฏิหารก็เอามันไปตรงนี้แหละไปมันเข้าไปมันออกแท่กกึศกุไปตรงนี้ทอดป้าอระมันเพ่งมันไปตรงนี้เข้าอ๋อเข้าเข่าอ๋อเข่า ข้องตัวจะเป็นให่โตว่ะสิเอาสิจะเอาอะไรก